สิกขาบทที่สองถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านณที่ไหนตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีนั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ เกิดทางกายวาจากับจิต